สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อนเตินภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตินภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนํามาพูดคุยและบอกเล่าสู่กันฟังเราพบกันนะคะในช่วงเวลาทุกๆเช้าของวันพระรหั ส, สมบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีค่ะดิฉันอาทิตยาปากทานางยังคงรับหน้าที่ในการดําเนินรายการเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่ามีข่า สารที่เกิดขึ้นมากมายนะคะทางเรื่องของ มิชาชีพเองนะฮะเรื่องของภาวะต่างๆในสังคมนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความประมาทความไม่ประมาทในการช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่ามีเคสห ล, หลายๆเคสที่ออกมาอย่างล่าสุดคือกรณีที่รถกระบะพลิกคว่ํานะคะเป็นเหตุให้นักศึกษาฝึกงานเสียชีวิตถึง13คนด้วยกันก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี่ด้วยแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองต้องเก็บมาคิดนะคะ แล้วก็ต้องมีการระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นด้วยไม่ได้เว้นเพียงแค่ว่าะจะต้องฝึกงานในสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่ของน้องนนักศึกษาเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่ประมาทในการขับรถหรือแม้แต่เรื่องของเมาไม่ขับซึ่งบางทีเราจะมองว่าเวลาแค่แป๊บเดียวเดินทางแป๊บเดียวแต่นะคะมันก็ยังมีหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นเส้นทางที่ไม่คุ้นชินหรือว่าสติ หรือประสาทสัมผัสนะคะในการที่จะควบคุมรถเนี่ยมันก็จะช้ากว่าปกติกว่าการที่มีสติสัมปชัญญะครบร้อเปอร์เซนนะคะมาที่เรื่องราวในวันนี้กับเพื่อนเตืนภัยกันนะคะช่วงนี้มาตรการที่พูดถึงกันนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของชิมช็อปชันะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้โหรอในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตัเนี่ยนานๆเลยนะคะบางทีบอกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมหน้าเปลี่ยนเอา้าเครียดเลยทีนี้นะคะตอนถ่ายบัตรเนี่ยอาจจะผอมนะคะแต่ ปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นมาถ่ายบัตรอีกทีหนึ่งนะเพื่อยืนยันตัวตนในระบบของชิมชอบใช้โอ้โหกว่าจะได้นะคะเหนื่อยแย่เลยนะแต่ว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้นะคะก็สามารถไปติดต่อโดยตรงได้กับธนาคารกรุงไทยเลยนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวตนแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะที่ดิฉันจะมาคุยในช่วง น, นี้ก็คือเป็นการเตือนสั้นๆนะคะสําหรับใครที่อาจจะลงทะเบียนชิมชอบใช้ไม่ได้นะคะก็เลยมีการให้คนเนี่ยไปลงทะเบียนแทนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีมิจฉา นะคะหมูฝัง อ้างว่าสามารถลงทะเบียนชิมช็อปช้ได้นะให้ลงให้ได้ไหมตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางแฟนเพจกองปราบป ร, รามเองก็มีการมาเตือนภัยตรงนี้นะคะกรณีที่มีกระแสข่าวการรับจ้างลงทะเบียนโครงการชิมช็อปช้และก็มีประชาชนส่วนหนึ่งค่ะถูกหลอกค่ะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ผิดกฎหมายนะคะไปทําธุรกรรมการเงินไปกู้ซื้อรถนะคะได้รับความเสียหายกันหลายรายเลยทีเดียวฉะนั้นก็ขอเตือนเลยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนชิมช็อปช้นะ สามารถที่จะเดินทางปฏิต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะกับทางสุรรัชการแล้วก็ถ้าในระบบแอปพลิเคชันน่ายันยืนยันตัวตนไม่ได้ก็แนะนําว่าให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในการที่จะหลอกเอาข้อมูลตอนลงทะเบียนของคุณเนี่ยไปใช้ในด้านอื่นๆนะคะก็ฝากกันาไว้ด้วยส่วนใครที่มีการสมัครชิมช้อปใช้ในช่วงแรกแล้วนะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์การเพราะว่าเมื่อคุณเปิดแล้วเนี่ย 14วันจะมีการตัดเงินเข้าระบบนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะถูกตัดเงินฟรีนะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะไปกันที่เรื่องราวของอใครที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็คือประเทศฮ่องกงค่ะหัวฝั่งคะมีการออกมาเตือนนะคะจากแฟนเพจท่านหนึ่งซึ่งเขาเตือนว่าประชาชนที่ไปเที่ยวที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ควรถ่ายรูปม็อบฮ่องกงหรือมีรูปติดเอาไว้ในมือถือนะคะเพราะว่าเมื่อคุณผ่านตอมอนะเขาจะมีการตรวจเช็คมือถือเพื่อดูรูปว่าคุณเคยไปประท้วงม็อบฮ่องกงมาหรือไม่นะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยแนะนําว่าช่วงนี้อย่าเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงจะดีกว่าค่ะ จากสถานการณ์นะคะมาฮ่องกงตระเวนทําลายหลายสถานที่เลยนะคะโดยตํารวจฮ่องกงเนี่ยเขาก็มีการยิงแก๊สน้ําตาเพื่อสกัดผู้ประท้วงริกร้องประชาธิปไตยนับหมื่นคนที่สวมหน้ากากออกมาชุมนุมท้าทายมาตรการแบนของรัฐบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะและจกากศาลไม่รับคําร้องให้ระ ง, งับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินของทางการขณะที่ผู้นํารัฐบาล น, นั้นก็ประกาศพร้อมออกกฎหมายใหม่นะคะถ้าหากว่าความรุนแรงยังไม่ยุติและตํารวจก็มีการออกมาเตือนแล้วว่าจะ เริ่มปฏิบัติการสลายการชุมนุมไม่ช้านี้และแนะนำให้ประชาชนงดการออกจากบ้านและปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาค่ะ ต่อมานะคะทางแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ Eat Live แปดตะลุยกินเที่ยวฮ่องกงโดยคนไทยในฮ่องกงเองได้ออกมาโพสต์ข้อความนะคะเตือนภัยสําหรับประชาชนในการปฏิบัติตัวเมื่อเจอสถานการณ์ม็อบฮ่องกงโดยแนะนําว่าไม่ควรจะถ่ายรูปหรือมีรูปม็อบฮ่องกงเอาไว้ในมือถือค่ะเพราะว่าตํารวจตรวจคนเข้าเมืองด่านเซ็นเจิประเทศจีนอาจขอตรวจมือถือเช็ครูปว่าคุณไปร่วมประท้วงในฮ่องกงมาหรือไม่นอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเจอม็อบหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจแนะนาหลีกเลี่ยงเลยค่ะอย่าถ่าย เพื่อความปลอดภัยของคุณค่ะทางนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวเองเนี่ยมีการเผยพแพร่สู่โลกออนไลน์นะคะมียอดแชร์ไปกว่า 2,500 ครั้ง และก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเลยเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่เจอในฮ่องกงนะคะพร้อมก็มีความคิดเห็นเดียวกันนะคะก็คือไม่ควรถ่ายรูปมอฟฮ่องกงเก็บเอาไว้จริงๆนะคะใครจะไปแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปได้เลยที่แฟนเพจนะคะ i t l i ลฟ์แป like ตะลุยกินเที่ยวฮ่องกงโดยคนไทยในฮ่องกงค่ะเลข1เรื่องราวในช่วงแรกของรายการที่จะมาเตือนกันนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นการ หากินจากความสงสารของผู้คนหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีชาวเน็ตค่ามาโพสเตือนภัยระวังมิจฉาชีพเป็นหญิงสูงวัยในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพมหาคนครนี่แ่ละค่ะอ้างว่ากระเป๋าโดนกรีดจนเหยื่อในเห็นใจแบ่งเงินบรนค่าเดินทางกลับบ้านสรุปเป็นมิจฉาชีพและพบว่ามีการกระทาแบบนี้มานานแล้วค่ะ เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะได้โพสต์เรื่องราวการเตือนภัยที่ตัวเองนั้นได้เจอภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายหนึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการเล่าบอกว่ามีหญิงสูงวรายหนึ่งค่ะเดินทางเข้ามาพูดคุยกับตัวเองให้ช่วยโทรศัพท์เข้ามือถือให้หน่อยปรากฏว่าโทรศัพท์ไม่อยู่ในกระเป๋าประกอบกับตัวผู้โพสต์เองสังเกตเห็นว่ากระเป๋าของหญิงสาวสูงไวัยเนี่ยคล้ายกับโดนกรีดก็เลยมีการสอบถามว่าไอ้คุณป้าคะกระเป๋าโดนกรีดหรือเปล่านะคะหญิงสูงววมีีทท่าทตกกใจแล้็ โอดว่าสิ่งของสำคัญสูญหายไปหมดด้วยความสงสารค่ะผู้โพสก็เลยตัดสินใจยื่นเงินส่วนหนึ่งนะคะเป็นค่าเดินทางกลับบ้านพร้อมกับ มีการประนามมิจฉาชีพที่ไปกรีดกระเป๋า ข, ของคุณป้ารายนี้ด้วยนะคะยังก็ตามแล้วค่ะก็มีชาวเน็ตจานวนหนึ่งค่ะเข้ามาเตือนบอกว่าตัวผู้โพสต์เองนี่แหละที่โดนมิจฉาชีพหลอกก็คือผู้หญิงสูงวัยคนดังกล่าวนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยที่คุณป้าเขาทำเนี่ยนะคะอ้างว่าถูกกรีดกระเป๋าแล้วก็ ท, ทําทีเป็นว่าให้โทรเข้ามือถือให้หน่อยเนี่ยนะคะมีชาวเน็ตหลายคนที่โดนหลอกแล้วก็ทํามาแล้วค่ะซึ่ง โพสต์ดังกล่าวนี้มีการถูกแชร์ออกไปสู่โลกโซเชียลแล้วเนี่ย 4,000 กว่าครั้งเลยค่ะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกเอาได้ที่สำคัญนะคะการช่วยเหลือก็คือพาไปเจอกับนายสถานีจะดี ก, กว่าค่ะขอบคุณข้อมูลในช่วงนี้นะคะจากผู้จัดการออนไลน์นะคะแล้วก็ทางด้านของอไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะวัาวฟังค้าช่วงหน้าดิฉันจะพามานำเสนอรับฟังนะคะเป็นเรื่องราวของนักแสดงอดีตนักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งนะคะมีการมาเตือนนะเป็นข้อความอุทาหรณ์หล้วจากที่เขาเนี่ยกินจะกินลองกลองนะแต่ปรากฏว่าถูกสัตว์มีพิษนะที่มากับลองกลอง ต่อยเข้าให้นะคะจนถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมาติดตามระฟังเรื่องราวนี้กันนะคะเราไปถึงเรื่องของคำเตือนนะคะใครที่จะไปดูหนังโจเกอร์อาจจะต้องมีการดูก่อนว่าเราเหมาะที่จะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือไม่นะคะติดตามในช่วงหน้ากับเพื่อนตันไผ่ค่ะ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 คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวนะคะอิงกระแสกันหน่อยช่วงนี้ภาพยนตร์ที่เป็นที่พูดถึงกันนะคะก็คือเรื่องของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครนะเคยติดตามภาพยนตร์แบทแมนก็จะเคยเห็นตัวร้ายในยเรื่องคือโจ๊กเกอร์นะคะเป็นผู้ชายที่มีการแต่งหน้าแล้วก็หน้ายิ้มนะคะแล้วก็มีบุ ค, คลิกที่ค่อนข้างจ ะ, ะมีความวิกลจริตนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยภา พ, พยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เจาะลึกใน ตัวของตัวละครโจ๊กเกอร์โดยตรงนะคะแต่ว่าในมุมหนึ่งค่ะตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนเด็กนะคะและเด็กอายุต่ำกว่า17ปีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนะคะเกี่ยวกับ ทางด้านของสุขภาพจิตเองเนี่ยระวังการดูหนังโจเกอร์อาจจะส่งผลกระทบกับจิตใจของผู้ดูได้นะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้มีการโพสต์ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ซึ่งกำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลนะคะมีการเตือนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าว่าไม่ควรชมเนื่องมาจากว่าจะทาให มีอาการดาวหดหูซึ่งทางกรมสุขภาพจิตนั้นระบุว่าว่าคีนฟินิกส์นะคะผู้รับบทบาทเป็นอาร์เธอร์เฟล็กหรือว่าโจเกอร์เองเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆมากมายบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ทํากันบ้านอย่างหนักนะคะในการถ่ายทอดเรื่องราวของโจเกอร์บนจอภาพยนตร์ให้สมบทบาทมากที่สุดโดยเฉพาะการศึกษาวิธีการหัวเราะแบบโจเกอร์จากผู้ป่วยนะคะที่มีอาการของซูโดบันบาเอฟเฟกนะคะซึ่งคําว่าซูโดบันบาเอฟเฟกอาการนี้คือ รกรมสุขภาพจิตเองนะคะได้มีการพูดถึงอาการนี้ค่ะเมว่าัคะซูบันบา่าขออภัยค่ะซูโดโบันบาเอฟเฟนะคะคือภาวะควบคุมการหัวเราะไม่ได้นะะมีอาการยังไงนะคะซึ่งเขาก็แนะนำนะบอกว่าคำเตือนจากแอดมินภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ซึ่งกำลังฉายอยู่ขณะนี้นะคะจัดอยู่ในเรจของอาซึ่งหมายถึงเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีจะเข้าชมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองควบคุมดูแลเท่านั้น เนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะประกอบไปด้วยความรุนแรงระดับสูงค่ะการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเราไปถึงความเศร้าหดหู่และสถานการณ์ที่อาจกระทบภาวะทางจิตใจในการรับชมสื่อที่ประกอบด้วยความรุนแรงทุกประเภทนะคะใครที่จะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบสภาพจิตใจตัวเองและคนกระชิดว่ามีความพร้อมในการรับเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือไม่โดยท่านสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมในขณะนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ เข้าไปขอพบกับบุคลากรด้านสุขภาพจิตใกล้บ้านหรือที่สายด่วนสุขภาพจิตนะคะ1 3ึถ้าหากว่าไปดูมาแล้วเกิดอาการดาวหดหูขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะไปปรึกษาข้อมูลได้นอกจากนี้นะคะยังสามารถอินบ็อกซ์ไปสอบถามทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ใครที่ตเตรียมจะไปดูนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องขอเตือนเอาไว้ล่วงหน้ากันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะคะอยากดูก็จริงแต่ว่าต้องดูด้วยก่อนนะว่าสุขภาพจิตใจของเราเนี่อรับในเรื่องของภาพยนตร์เหล่านี้ได้หรือไม่ซึ่งไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์เรื่องโจเกอเท่านั้นนะคะก็ยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆด้วยเราไปถึงภาพยนตร์ที่มีฉากจัมส์ ca ร์หรือว่าเป็นฉากที่ทําให้เกิดความตกใจแบบพลุดพลาดนะคะ มีค่อนข้างเยอะในปัจจุบันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีผลกับผู้ป่วยสุขภาพจิตและผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะคะนามาพูดคุยกันค่ะเป็นอุทาหรณ์หลังจากที่มีผู้ชายท่านหนึ่งนะคะไปโพสเรื่องราวนะคะซื้อหลองกองมารับประทานแต่ปรากฏว่าถูก สัตว์มีพิษที่มากับลองกองต่อยเข้าที่นิ้วต้องเข้าโรงพยาบาล น, นะคะก็อยากมาเตือนว่าใครที่จะมีการกินผลไม้ต่างๆต้องนำไปล้างให้สะอาดและต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับประทานค่ะ ผู้ใช้ Facebook นะคะเป็นหนึ่งชัยยชิตนะคะมีการโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังจากที่ถูกแมงป่องต่อยเข้าที่นิ้วโป้งขณะกําลังรับประทานลองกองซึ่งคาดว่าแมงป่องนี้อาจจะติดมาในถุงผลไม้ค่ะผู้โพสต์เองก็เลยอยากจะฝากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าใครจะประทานผลไม้ต้องล้างทําความสะอาดให้ดีซะก่อนค่ะทั้งนี้นะคะผู้โพสได้ระบุอาการหลังโดนแมงป่องต่อยว่ารู้สึกปวดจนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งแพทย์ได้ขอให้แอดมิดฉีดยาเข้าเส้น ฆ่าเชื้อแก้กเสบแก้ปวดและขอดูอาการเพราะความดันสูงทะลุ170เหงื่อออกแตกเต็มหน้าถ้าเป็นเด็กคนชราหรือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันอาจช็อกได้เลยนะคะโพสต์ดังกล่าวนี้ค่ะได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมากเลยจนมียอดแชร์ออกสู่โลกโซเชียลไปแล้วกว่า 60,000 ครั้งด้วยกันค่ะ โดยในความเห็นเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางเพจความรู้สนุกสนุกแบบหมอแมวเองก็เคยได้ออกมาโพสให้ข้อมูลความรู้เอาไว้นะคะโดยมีการระบุข้อความแบบนี้ค่ะแมงป่องติดมากับลองกองต่อยมือทำอย่างไรดีก่อนหน้านี้ คือหน้าลองกองซึ่งนันนันครั้งจะพบของแถมมาพร้อมกับลองกองคือแมงป่องบ้านสีน้ำตาลตัวเล็กน่ารักแต่พิษของแมงป่องส่วนมากเป็นสารในกลุ่มเปปไทด์มีทั้งตัวที่มีพิษต่อระบบประสาทตัวที่มีผลต่อการไหลเข้าออกของเกลือแร่ในเส้นประสาทเอนไซม์และสารยับยั้งเอนไซม์เอาเป็นว่ามันเป็นกลุ่มโปรโตีน สำหรับพิษของแมงปองเวลาต่อยนะคะเพจความรู้สนุกสนุกแบบหมอแมวเนี่ยมีการแบ่งออกดังนี้ค่ะพิษทางระบบประสาทนะคะก็จะมีอาการปวดตรงจุดที่โดนต่อยบางครั้งร้าวไปตามแนวเส้นประสาทถ้ามากกว่านั้นนะคะก็จะเกิดอาการกับเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอาการเป็นได้ตั้งแต่กระตุกน้อยๆจนถึงชักเกรง็งกระตุก กระตุกและกระตุกถ้าแย่ไปกว่านั้นนะคะก็คือไปโดนระบบประสาทออตโตเนมิกนะคะซึ่งอาจจะมีความดันต่ําแล้วก็ก่อให้เกิดอาการช็อกขึ้นได้ส่วนพิษของแมงปองที่ไม่มีผลต่อระบบประสาทนะคะก็จะก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วมีทั้งเกิดจากการเจ็บหรือบางครั้งกระตุ้นหัวใจตัวร้อนน้ําท่วมปอดหายใจไม่ได้ กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบทางเดินหายใจย่อนก็จะหยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะส่วนมากแล้วค่ะพิษของแมงป่องจะทําแค่เรื่องปวดหรือว่ามีไขต้ต่ําๆอาการปวดมากๆเลยนะคะมักจะหายปวดไปเอง1วันค่ะโดยมีบางส่วนที่ปวดมากแค่ 2- องถึชั่วโมงก็หายไปเองจะไปถึงปวดมากเป็นสัปดาห์ก็มีเหมือนกัน วิธีการในการรักษานะคะถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์นี้นะคะทานผลไม้แล้วมีแบงป่องแท้มาด้วยนะคะแล้วก็ถูกต่อยนะอย่างแรกเลยค่ะก็คือประคบน้ำแข็งนะคะควรไมคหาบ หมอค่ะให้คุณหมอฉีดยาชารอบแผลโดนตอ่อยมีงานวิจัยนะคะก็คือยาชาเนี่ยได้ผลไม่ดีมากนักเมื่อเทียบกับตะขามแต่ก็ยี่กว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะกินยาแก้ปวดที่หมอจ่ายกลับมาด้วยและถ้าเป็นเด็กต้องพาไปหาหมอแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเด็กนั้นจะเกิดอาการของพิษมากกว่าอาการปวดได้มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะสําหรับการใช้มะนาวนะคะน้ําส้มสายชูพงชูรสสามารถช่วยแก้พิษได้หรือไม่ คุณหมอมีการแนะนำนะคะบอกว่ามะนาวทาเป็นสิ่งที่คนไทยมักทํากันแต่บอกยากจากที่เคยอ่านๆดูนะคะหลายคนบอกว่าจะหายปวดที่24ชั่วโมงซึ่งปกติแล้วแมงป่องต่อยเนี่ยก็ปวดมากที่24ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็จะปวดน้อยลงอยู่แล้วดังนั้นเลยแนะนําว่าควรไปฉีดยาชารอบแผลที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าแล้วกลับมาใช้มะนาวอีกทีก็ได้ส่วนในผงชูรสนะคะฝรั่งเชื่อกันว่าสารในผงชูรสนี้นะคะโมโนโซเดียมกรูตาเมตเนี่ยจะทําลายพิษกระบแมงป่องงู ทุชนิดได้ให้เอามาทาแผลซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าไม่มีงานวิจัยรองรับนะคะและในกลุ่มพิดรุนแรงเนี่ยก็ไม่เห็นว่าใครบอกว่าได้ผลเลยนะคะส่วนกลุ่มที่พิดอ่อนก็จะหายเห็นผลอยู่ที่ 1-3 สวันอยู่ดีเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ทานะคะซึ่งพิดพวกนี้เกิดจากการที่ พิษเนี่ยจิ้มเข้าไปในเนื้อมันหน้ากับผงชูรสเนี่ยมันผ่านผิวหนังไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้กลไกไหนในการแก้ปวดล้างพิษครั้งหน้าถ้าซื้อลองกองหมาก็แนะนําก่อนนะคะว่าควรตรวจเช็คว่ามีสัตว์อะไรติดกับลองกองหมาด้วยหรือไม่อันนี้เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียเงินไปหาหมอด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากผู้จัดการออนไลน์และเพจความรู้สนุกๆแบบหมอแมวค่ะ ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวของแก๊งคอเซนเตอร์นะคะไปลอกขอรหัส OTP นะลูกค้าแล้วก็ไปกดเงินในตู้นะคะมูลค่าความเสียหายเกือบ2ล้านบาทนะคะเราไปถึงร้อเองนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวใส่ชุดกากีค่ะเดินเก็บภาษีร้านค้าในวันหยุดเป็นวิชาชีพหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้าค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คาปรึกษาด้านสมุนไพร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 กลับเข้ามาสู่เพื่อนเตินภัยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะที่ฉันมีเรื่องราวจากจังหวัดร้อยเอ็ดนำมาฝากกันนะคะมีการพบสาวใสชุดกากีค่ะเดินเก็บภาษีร้านค้าในวันหยุดอ้างถึงสอตองงคอู่แม่ค้านะคะถ้าไม่จ่ายเงินจะโดนดำเนินคดีเสียภาษีผิดระเบียบตามกฎหมายใหม่ค่ะ นางสาวสรัญญาสงวนนามสกุลนะคะเจ้าของร้านกาแฟาแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมือง101และเจ้าหนา้าที่เ ท, ทศบาลเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองนะคะบอกว่ามีหญิงสาวแต่งเครื่องแบบสีกากีีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่าจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองขับรถเก๋งโตโยต้าอัลติส นะายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครนะคะมาเีื่อร้านจากนั้นนะก็นำใบเสร็จรับเงินมายืน่นขอเก็บค่าภาษีป้ายเป็นเงิน600บาทซึ่งตนก็แปลกใจนะคะที่เก็บมากเกินปกติเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเสียเพียงแค่200บาทเท่านั้นแล้วก็เสียไปแล้วต้นปีด้วยนะคะแต่กลับมีการเก็บซ้ำซ้อนแทมแพงเกินกว่าปกติที่เคยเสียด้วยซ้าที่สาคัญนะคะมาเก็บเงินในวันหยุด สิ่งที่ต้องสงสัยค่ะก็คือใบเสร็จที่เขียนมายื่นขอเก็บเงินภาษีป้ายเนี่ยไม่ได้มีการประทับตราของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะจึงโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาค่ะก็มีการพูดคุยกับหญิงสาวใส่ชุดสีกากีคนนี้ซึ่งเืออ้างว่าสาเหตุที่แพงเนี่ย เนื่อมาจากว่ามีการตรวจสอบพบว่าชื่อร้านเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษทําให้ต้องเสียภาษีแพงขึ้นส่วนสาเหตุที่ต้องออกมาเก็บเงินวันหยุดเนี่ยก็อ้างว่าสํานัก ง, งานตรวจคนตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสอตองอ ง, องเนี่ยนะคะได้มีการถ่ายภาพทางร้านแล้วแจ้งไปถ่ายทศ่สบาลว่าผิดระเบียบสั่งให้ดําเนินคดีและที่รีบออกมาเก็บเงินในวันหยุดเนี่ยก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็จะไปเคลียร์กับสอตองอ ง, อ ง, องให้เพราะกลัวว่าทางร้านนั้นจะถูกดําเนินคดีค่ะ จากการสอบสวนนี่นะคะทางด้านของพนันตำรวจโทสมัยมงคลชูสารวัตรสอบสวนสภเมืองร้ อ, อบอกว่าบุคคลดังกล่าวนี้ค่ะมีพฤติกรรมแอบอ้างนะคะจัดเก็บเงินภาษีต่างๆในเขตเทศบาลเมือง101ซึ่งมีผู้เสียหายนำหลักฐานถ่ายภาพแล้วก็ภาพกล้องวงจรปิดแจ้งความเอาไว้แล้วก็มีเหมือนกันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะมีการยอมรับว่ากระทำการแอบอ้างจริงจึงให้เจ้าทุกและก็ฝ่ายของผู้ในการกองครังและนิติกรเทศบาลยืนยันชี้ตัวและแจ้งข้อกล่าวหาในข้อหาช่อโกงโดยการแสดงตัว บุคลอื่นเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้มีเจ้าทุกยืนยันแล้ว10บรายด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ตามแล้วค่ะจากการยึดเอกสารในรถมาตรวจสอบซึ่งน่าจะมีมากกว่านั้นก็ฝากให้ผู้ที่สงสัยหรือว่าโดนหลอกด้วยพฤติกรรมแบบนี้สามารถเข้ามาดูตัวแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมได้พร้อมประสานงานเพื่อตรวจสอบนะคะไปยังจังหวัดกาลสิน์เพื่อตรวจสอบความชัดเจนให้ยืนยันมาอีกครั้งว่านี่เป็นเจ้าที่เทศบาลตําบลทัญญาอําเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินจริงหรือไม่สําหรับหญิงสาวคนดังกล่าว นี้นะคะคือนางสาว พ, พิทยาพร อ, อายุ46ปีเธอยืนยันว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าที่ของคลังของเทศบาลจริงแต่อยู่ที่เทศบาลตำบลทัญญาอเำเภอกมะลาสายจังหวัดกระสิน์พร้อมทาการตรวจค้นในรถพบเอกสารแผ่นพับงานเก็บงานจัดเก็บพัฒนาไรายได้กองคลังของเทศบาลตำบลทัญญาภายในรถจํานวนมากเลยนะคะยังก็ตามแล้วค่ะจากการตรวจสอบรถยนต์เนี่ยก็ยังพบใบเสร็จที่เขียนแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเงินอีกจํานวนมากเลยค่ะพร้อมสมุดต้นคั้วในใบเสร็จรับเงิน ที่เก็บเงินไปแล้วจำนวนหนึ่งเล่มจึงมีการยืดประกอบสนวนการสอบสวนนะคะเ mm. บื้องตน้นเจ้าตัวมาสารภาพแล้วนะคะว่าได้ทำการแอบอ้างว่าได้รับมอบหมายนะคะจากสอตอ ง, งอรหรือว่าสำนัก ง, งานตรวจเงินแผ่นดินนะคะให้มาเคลียร์ปัญหาก่อนที่ร้านค้าต่างๆจะถูกดำเนินคดีซึ่งมีคนหลงเชื่อจาจเงินจานวนมากเลยค่ะกระทั่งถูกจับได้ในวันนี้นั่นเองค่ะ ก็ต้องรอฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ที่กระสินจริงหรือไม่แต่ว่าได้มาทําการหลอกลวงชาวบ้านเป็นมิจฉาชีพในเขตจังหวัดร้อนะคะระมัดระวังกันด้วยถ้าเกิดว่าใครนะคะเปิดร้านทํากิจการต่างๆแล้วมีคนมาเรียกเก็บเงินคุณในวันหยุดแบบนี้ไม่มีตราสัญลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ให้ยืนยันได้เลยว่านี่อาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวติดต่อไปที่หน่วยงานเองค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากทรั์ออนไลน์ค่ะ ทิ้งท้ายกันนะคะทางด้านของตำรวจภาค5นะคะมีการประสานธนาคารค่ะจับกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกขอรหัส OTP ลูกค้านะคะไปกดเงินผ่านตู้ ATM ไม่ต้องใช้บัตรมูลค่าความเสียหายเกือบ2ล้านบาทค่ะ พลตำรวจตรีบันดิตตุงข่าเสรณีรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5แถลงผลการจับกลุมแก๊งคอรเซ็นเตอร์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ลอ่อขอรหัส ATM ชั่วคราวนะคะหรือวันทามพาสเวิร์ดจากผู้เสียหาย34รายด้วยกันรวมความเสียหายอยู่ที่ 1,867,921 บาทนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะได้จับกลุมผู้ต้องหาซึ่งทําหน้าที่ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ได้รับรหัสมาจากแก๊งคอรเซ็นเตอร์นะคะหลังใช้กลอนอุบั ในการหลอกถามรหัสจากผู้เสียหายค่ะซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านแอปพลิเคชันโดยมีการประสานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยพอนมพลตรีบัณฑิต บ, บอกว่าการใบถอนเงินตแต่ละครั้งเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะมีการปลอมตัวปกปิดใบหน้าหรือว่าสวมใส่วิกผมค่ะเพื่อหลอกตําหนิรูปภัณฑ์แล้วก็มีการสับเปลี่ยนยานพาหนะหรือใช้ป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอมหรือใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อฝ่ายสืบสวนติดตามตัวไม่ได้ และผู้ต้องหารายนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไปหลอกถามรหัส OTP และสมัครแอปพลิเคชันซึ่งนาทีนี้เป็นของกลุ่มคนร้ายอีกทีมซึ่งกําลังหลบหนีอยู่ณตอนนี้นะคะผู้ต้องหารายนี้ถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันช่อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นค่ะทั้งนี้นะคะกู้ฟังค้าตํารวจภูธรภาค5เองขอฝากเตือนถึงประชาชนด้วยนะคะระวังการโทรศัพท์สอบถามรหัส OTP ของแอปพลิเคชันต่างๆสิ่งสําคัญนะคะของ Digital Banking นี้ก็คือคุณไม่ควรให้รหัส OTP พีกับคนที่คุณไม่รู้จักหรือคนที่คุณอ่าคนที่คุณเจอว่าโทรมาสอบถามทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะอ้างตัวเป็นบุคคลใดก็ตามเพราะว่าธนาคารเองไม่เคยมีนโยบายให้พนักงานธนาคารโทรสอบถาม OTP นะคะที่จะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้ามันเป็นความลับของลูกค้า แค่ลูกค้าเท่านั้นนะคะการทำธุรกรรมนั้นต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะอาศัยช่องโหว่นะคะก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยหลงเชื่อได้ง่ายเพราะว่ามีเหตุร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียทุกวันค่ะคดีนี้เองก็มีการขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทาผิดร่วมกันต่อไปค่ะ เป็นยังไงคะวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนาะที่นำมาคุยกันนะคะในเพื่อนเตือนภัยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่นะคะในทุกๆเช้าของวันพรราชสบดีทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกธทานางและทีมงานต้องขอลากไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะวิทยุราชมงคลทัญ บ, บุรีเอ 89.5 เมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต